มิตสัมพนที่ปฏิบัติทําในตอนใหม่หม<อ>เนาะก็นิสัยเขาเรียกย่านิสัยดําเดิมๆแล้วก็ก็ติดมามากๆนะเราียกาตองเรียกว่าติดมาอย่างยิ่งนะนิสัยเดิมๆก็คืออาจจะเป็นนิสัยของการที่อาจจะอยู่กับเรื่องของการ ความสวยความงามอยู่กับเรื่องของการออกแบบตกแต่งอะไรต่างๆนานาเหล่านีนะ้ก็เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าติดติดหนึบติดนับสายตามองซ้ายไปมองขวาไปอย่างนี้นะแบบว่ามันก็ไปหารายละเอียดทุกอย่างนะเราเรียกว่าสุดสายตาตรงไหนนะรายละเอียดต่างๆก็จะมีอันนี้เช่นก้มลงกราบพระนะ เอ้าก็ลายไม้อันนี้สวยลายไม้อันนี้ไม่สวยเลยอย่างนี้นะันแบบนั้นเอออันนี้ไม้อะไรอะไรต่างๆนานาหาความหมายหาอะไรต่างๆนานาตลอดเวลานะต้อเรื่อยตลอดเวลาคือมันเนื่องจากมันคล้าว่าอันนั้นคือเรายังยังไม่ได้ปึกฝนตัวเองนะไอสิ่งที่มันเคยมีติดตัวต่างๆนานานะก็เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่ามันก็มีโดย โดยอัตโนมัติโดยที่เราก็ไม่ทันได้เรียกว่าไม่ทันได้รู้นะไม่ทันได้รู้ก็จิตใจก็ปฏิเสธมากมั่งนะเอ้ยไม่อยากเป็นไม่ไม่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยแต่ว่ามันก็เป็นตลอดเวลานะเป็นตลอดเวลาอย่างอย่างแม้กระทั่งว่าก็ในทางด้านหนึ่งก็ รู้ว่างานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานที่อย่างสมมุติถ้าว่ามันเป็นการตกแต่งนะอย่างเราสวดปฏิสังข์โยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งเลยนะมันก็ของเราก็เป็นมัณฑนะโดยตรงอะไรเงี้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือมีอะไรตัวอาคารเป็นแบบนี้ก็ต้องพอกเสริมเติมเข้าไปทํำยังไงให้มันเป็นจีนเป็นแขกเป็นฝรั่งเป็น ฝรั่งเศสเป็นยุโรปเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะเป็นเท่านั้นก็ยังไม่พอเป็นก็ต้องเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะทํำยังไงถึงจะเป็นฝรั่งแบบเด็กทําไงถึงจะเป็นฝรั่งแบบผู้ใหญ่ทําไงถึงจะเป็นเรียกว่าเป็นแบบเป็นเก๋เป็นรวยทํำยังไงถึงจะดูเป็นแบบอ๋เป็นแบบฮัดฮทําไงถึงจะดูเป็นนู่นเป็นนี่อ๋อ ตกแต่งได้ส <Sch Cro hn: laughs> like like ้นหรพัดนะฮะก็เร <laughs> so, mm ียกว่า <danach> มันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับมันอยู่กับความรู้สึกนึกคิดมันอยู่กับชีวิตจริงๆของเรามานานมากๆนั้นสายตาก็เดินจงกรมไปนะก็จะต้องจัดสวนข้างทางไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยว การทางมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หลต่างๆนานาเหล่านั้นเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าคือมันก็นิสัยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันติดมันติดเรามานั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยคือการที่เราจะเหมือนกับมีความคุ้นเคยแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ก็ปฏิเสธนะปฏิเสธไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบนี้เลยนะ ก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราก็อยู่กับสถานการณ์แบบนี้นะแบบว่าก็แบบว่ า, แบบวาปฏิเสธน้าเรียกว่าปฏิเสธความคิดความจำต่างๆตรงนั้นอะไรก็นั่นนั่นก็เป็นเรื่องของของเรื่องที่มันมีติดตัวเรามาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติทำแรกๆก็เหมือนกับ เราก็เหมือนกับไอ้การที่เราจะเป็นผู้ดูตรงนี้เนี่ยมันก็เราก็ยังไม่ชัดเจนที่จะเป็นผู้ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่ามันไม่ดีมันไม่ควรมีไม่ควรเกิดอะไรอย่างนั้นอะย่างนี้นั้นนั่นคือตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพอปฏิบัติทาไปปฏิบัติทำมาก็ปฏิบัติทำมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้ว่าเอออันนี้นะ มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นให้เราดูไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นให้เราทุกข์เพราะว่านั่นคือพาเราตอนมันเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็แบบปฏิเสธมันทันทีอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นนิสยัยมันก็เป็นนิสัยที่ที่เหมือนกับเป็นนิสัยเอาถูกเอาผิดของเดิมที่เรามีอยู่การที่เราจะเดินผ่านอะไรไปสักอย่างหนึง่งแล้วก็พร้อมกับ มองเห็นข้อไม่ดีแล้วก็อันนี้ดีกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นเรื่องที่ก็ชีวิตก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเพราะว่าในงานเราก็ต้องทําแบบนั้นทํำยังไงจริงก็ทำให้ของที่มันมีอยู่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำยไงท่านทให้ของดีมีอยู่ดีขึ้นอันนั้นก็เรียกการออกแบบเพราะฉะนั้นอื่ือตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็แบบ ก็ติดนะเขเรียกว่าติดอยู่นิดสายอาจจะเหมือนกับคนที่เคยบริกรรมพุทโธแล้วก็พอเวลาที่ปฏิบัติธรรมุ๊ ก, ก็มีพุทโธพุทโธขึ้นมาก็เหมือนกันนะเพราะว่าอันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามามันติดตัวเรามาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกันบ้างก็พอเราคล้ายๆว่าพอเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าง่ายขึ้นนะก็มาก คือเราแทนที่เราจะปฏิเสธเนาะก็กลบับกลายเป็นว่าโอ้มือนก็ปรากฏให้เราได้เห็นบ่อยนะเพราะว่านั้นคือมันเป็นมันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วอะไรเนี้ยเป็นนิสัยของเราอยา่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราทําก็คือโอ้มันก็อ๋อเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นไห้เห็นเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นไห้เห็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับอันนี้พอเราเหมือนกับพอเราปฏิบัติทําเป็นสิ่งนี้ก็ไม่เป็นทุกข์นะ การออกแบบการในตานานาหลังประสบการณ์ที่เราเคยมีมันก็ไม่ได้หายไปการออกแบบก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่ามันเหมือนกับประสบการณ์เราก็มีอยู่แล้วนั่นนั่นคือใครจะเรียกให้ออกแบบอันนั้นก็โอ้ก็ง่ายใครจะเรียกให้ออกแบบอันนี้ก็เหมือนก็ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องคิดมากกันหลังประสบการณ์ก็มีอันนึงอีกอันหนึ่งก็คือเราก็ ไม่ต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าในทางด้านหนึ่งก็เขาเรียกว่าทาโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนเมื่อทำที่ไม่ต้องโดยหวังไม่ต้องหวังผลตอบแทนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับการทำงานมันก็ง่ายง่ายขึ้นเยอะเนะมื่อก่อนพอเราทำโดยหวังผลตอบแทน เราเคยบอกเอาไว้แบบอย่างนี้อะไรเงี้ยพอทำออกมาไม่เหมือนอย่างนี้ว่โอ้จะแบบว่าจะรับค่าแบบแบบไหนกันดีหรืออะไรต่างๆนั่นก็เป็นความยุ่งความยากของของของสิ่งที่ในในอาชีพการงานแต่พอเวลาที่เรามาอยู่ในทางธรรมการทำงานการทำงานกับการปฏิบัติธรรมมันก็ค่อยๆค่อยๆก็เรียกว่าค่อยๆกลมกลืนกันมากขึ้นมากขึ้นนะ ในการที่เราจะคอยแบบว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนู้นเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อ่มเขียนก็บอกเอาไว้ก่อนแล้วนะว่าเออนี่แบบว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอยู่2 อ, อย่างนะมันมีเอ๊ะกับมีอ้อถ้าหากว่าเอ๊ะเนี่ยก็หยุดไว้ก่อนถ้าหากว่าอ้อนี่ก็ต่อไปเลยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเพราะว่าเป็นอะไรเพราะว่านั่นคือ หลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นี่ที่วัดสุกโตนะหลวงพ่อบอกออกจากปากของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าที่สุกโตไม่มีการเรียกว่าสอบอารมณ์ไม่มีการสอบอารมณ์ก็แต่ละคนแต่ละคนก็แบบเหมือนกับฟังก็เรียกว่าฟังจากใจของเราเองถ้าเมื่อไรมีเอ๊ะเมื่อนั้นก็หยุดยั้งไว้ก่อน ทำอะไรอ้อก็เราก็ปฏิบัติต่อกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับให้ายๆว่าอย่างที่พระอาจารย์โน้ตบอกนะก็ได้กลุยทางเอาไว้ให้แล้วปูทางเอาไว้ให้แล้ประสบการณ์ในการปฏิบัตินะที่พระอาจารย์มีก็ได้บอกให้พวกเราฟังนั่นนึคือถ้าเราปฏิบัติไปถึงตรงนั้นเนี่ยอ๋ออนี่เนาะแบบว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้พระอาจารย์โน้ตเคยบอกไว้ แต่ถ้าว่าเราปฏิบัติไปแล้วมันเอ๊ะเนี่ยแสดงว่าตรงนั้นนะเราปิดทางแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะสติเราก็จะบอกบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกทางนะกลับหลังใหม่หาทางกันใหม่อะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คําคําของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนํามันก็จะมีคําที่บาตรก็เรียกว่ากลั่นออกจากประสบการณ์เนาะของท่านมันก็จะทําให้เราเนี่ย เดินตามเนี่ยง่ายไม่ต้องคิดอะไรใหม่ไม่ต้องหาอะไรใหม่ในการปฏิบัติธรรมในสายลมตะเทียนเนี่ยการยกมือสร้างจังหวะก็เป็นเรื่องแปลกเนาะเรื่องแปลกแปลกกว่าสำนักอื่นอื่นเพราะฉะนั้นนั่นคือก็ต้องมีการเอาเหตุเอาผลกันนะตลอดเวลาเนาะคำว่าเอาเหตุเอาผลกันก็คือทำไมต้องเป็น14จังหวะมากกว่านี้ได้ไหมทำไมต้องยกแบบนี้ยกอย่างอื่นได้หรือเปล่าอะไรต่างๆนนอนะ ก็มีอยู่เป็นประจำเรื่องแบบนี้อะไรเยองนี้นะแต่นั่นก็คือตรงนี้ก็ในส่วนของตัวเองก็คิดว่าหนึ่งก็เขาเรียกว่าหลวงพ่อเทียนเนาะเราก็เห็นแล้วนะว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยปฏิบัติเนาะแบบว่ายกมือสร้างจังหวะแบบนี้แล้วก็ทำให้หลวงพ่อเทียนเข้าใจทำคาอธิบายที่หลวงพ่อเทียนมีให้พวกเราก็เป็นคาอธิบายที่พวกเราก็ชัดเจนนะว่าตรงนี้เนี่ยมัน มันเป็นการปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วปัญหาชีวิตเราลดลงเนาะปฏิบัติที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความคิดโดยตรงเลยรู้ว่าคิดกับมาก่อนรู้ว่าคิดกรับมาก่อนตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันทำให้ความทุกข์ที่เกิดเกิดจากความคิดเนี่ยก็ไม่มีก็เรียกว่ามีน้อยลงในทันทีต้องเรียกว่าเห็นเห็นผลได้ในทันทีนั่นนั่นคือตรงนี้เราก็เชื่อนะว่าหลวง่เทียนก็ เมื่อท่านรู้ขนาดนี้เนี่ยท่านอุตสาห์ออกแบบเอาไว้ให้แล้ว14ท่าเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอย่างอื่นก็ทําเท่านี้แหละอย่าไปคิดประดิษฐ์ถ้าเราเกิดคิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เราก็จะต้องเอ๊ะพอไหมแค่ไหนอะไรยังไงกี่ท่าถึงจะดีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้อะไรเงี้ยตรงเนี้ยนั่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าในเรื่องที่เอาเหตุเอาผลกันอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติของเราเนี่ยความคิดแบบเนี้ยนั่นมันก็จะถูกเหมือนกับว่าพี่พันว่า ด้วยการที่เราก็มองเห็นมองเห็นผลของการปฏิบัติจากที่หมู่หลวงพ่อมีกันที่ถ่ายทอดมาถึงรุ่นต่างๆนานารุ่นลูกศิษย์ก็มีกันตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจนะว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าได้กลั่นออกมาจากประสบการณ์ของท่านโดยตรงเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ย ท่านก็ต้องเหมือนกับว่าไอ้ผิดถูกที่ท่านเคยทำาทํมมาท่านก็ไม่เอามาบอกแล้วละเนาะแบบว่าเอาแต่แบบว่าส่วนที่จำเป็นจริงๆมาบอกพวกเราไอ้ที่คำผิดคำถูกกันมาเสียเวลาเนื่อ น, นานก็ตรงนั้นก็ไม่อยากให้พวกเราเสียเวลากันเหมวนพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันพุะเจ้าเองก็ไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยคำผิดคาถูกก็เคยนั่นนั่นคือตรงนี้เนี่ยธรรมะที่พุทธเจ้าบอกจะเป็น ก็เรียกว่าธรรมะที่บุญชิจ่าบอกก็ดีธรรมะที่หลวงพ่อเทียนหรือพ่อคาเขียนครูบาอาจารย์ต่างๆพระจัดโน้ตอนบอกก็ดีตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองเราก็เหมือนกับว่าดคราดว่าฟังเราไว้แล้วก็จํำมาไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเวลาที่เราปฏิบัติไปมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับช่วยช่วยแก้ปัญหาให้เราเพราะเนื่องจากว่าก็ในสิ่งที่เรียก ในสิ่งที่บอกก็คือเป็นประสบการณ์ที่ทํามาถ้าพวกเราทําตามเนาะทำตามหลวงพ่อเขียนก็จะบอกอยู่เสมอมาว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดคือสิ่งที่หลวงพ่อทําถ้าพวกเราทําตามที่หลวงพ่อพูดก็จะได้พบเห็นแบบเดียวกันนั้นนั่นคือตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเราก็เดินตามนะานะเราก็ง่ายนะเราก็ง่ายในการที่คล้ายๆว่านิสัยเก่าๆตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับ <c oughs> พระชนเปนษานก็เคยพูดเอาไว้บอกว่าไอ้ที่ไปคอยแก้เนี่ยไม่ต้องนะน้ำเสียเนี่ยไม่ต้องไปคอยแก้แบบว่าใส่เติมน้ำดีเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำเสียมันหมดไปเองนิสัยเก่าๆที่เคยพูดถึงเา่าเวลาที่เราเคยมีนะ ไอ้เคยติดนิสัยแบบนั้นแบบนี้ไอ้ที่มองไปซ้ายมองไปขวาก็จะต้องออกแบบให้มันดีขึ้นมองไปซ้ายมองไปขวาก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ตอนหลังๆก็เลิกกังวลไปนะเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับพอเราปฏิบัติตามรู้ว่าคิดกับวางลงรู้ว่าคิดกับวางลงก็ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราคิดอะไรยังไงแรงตาน า, น า, นานเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ นิสัยเก่าๆของเรามันก็ละเลิกไปได้ง่ายนะแล้วก็ทำนองเดียวกันนิสัยที่อันนี้เป็นผิดอันนั้นเป็นถูกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็กลับมันก็กลับเปลี่ยนมุมมองไปจากสายตาที่เคยมองเป็นเรื่องของงานภายนอกก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ใช้ตาข้างในมองเป็นเรื่องของการที่เราได้เห็น สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นในการปฏิบัตินะอย่างเวลาที่เราปฏิบัติกันอย่างเงี้ยก็มันก็จะมีคาของหลวงพ่อเทียนนะที่บอกเอาไว้ลักษณะที่หลวงพ่อเทียนเคยบอกว่าการปฏิบัติเนี้ยอันหนึ่งนะให้รู้ซื่อๆอย่างเงี้ยรู้ซื่อๆนะเราก็พอเวลาปฏิบัติไป แรกๆเราก็อาจจะไม่ยอมรู้ซื่อๆนะว่าไอ้รู้ซื่อๆมันเป็นยังไงก็ <g iggle> ไม่ยอมจิตมันไม่ยอมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยคำว่ารู้ซื่อๆเป็นยังไงมันก็เป็นความคิดอะนะ่ะเนาะแล้วเราก็จะไปหาเรียกว่ า, เ ร, วาเรียกหาคําตอบจากความคิดนะหลวงพ่อเฉียนก็บอกแล้วว่าอย่าหาคําตอบแต่ว่าความที่จิตมันก็ไม่ยอมเนาะมันก็จะหาคําตอบอยู่นั้นไอ้รู้ซื่อๆเป็นยังไงรู้ซื่อๆเป็นยังไงท้ายสุดไอ้คำว่าลูกซื่อๆมันก็ไม่เกิดมันยังอย่างมาก รู้ไปแล้วก็คิดไปรู้ไปแล้วก็คิดไปตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าอ๋อพอนานๆาจิตมันก็เริ่มยอมเนาะไอ้การรู้เฉยๆก็เป็นเรื่องที่อออใจอะไรทางนั้นนี้พอเราเริ่มพอใจกับไอ้ ก, การที่เรารู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าพอเราเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นในใจเราอย่างเนี้ย มันก็เป็นเรื่องที่แบบอ๋อมันก็เราก็อืมนะรู้นะแล้วก็ ร, นะกนะรู้แะก็พอละนะรู้ละพอละไม่ต้องไปหาเหตุหาผลอะไรไม่ต้องไปหาถูกหาผิดอะไรตรงเนี้นั่นนักนคือตรงนี้คําว่าปัจจุบันมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ซื่อเนี่ยรู้ปุ๊บคิดปั๊บเนี่ยไอ้ความคิดมันก็กลายเป็นเ้าเรียกว่าเรื่องที่คิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นณขณะ น, น, นี้เราก็ ไม่ทันได้ไม่ทันได้ดูว่าไอ้ใจเราเนี่ยที่กําลังสงสัยอยู่มันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็หมดจะไปคิดตามไอ้ความสงสัยนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าโอ้นี่นะมันเป็นเรื่องที่พอเราเนะเาเนะก็เรียกว่าเราแบบก็เรียกว่าไปไม่รู้ซื่ อ, อเราก็เสียเวลาที่เราจะไปดูความจริงที่เกิดขึ้น หรือว่าอย่างที่เมื่อก่อนเราก็ปฏิเสธเนาะไม่อยากคิดแบบนี้อะไรๆต่างๆนั่นๆเรานี้หลวงพระเทียนก็บอกนะก็บอกเอาไว้ก่อนนะแบบว่าอย่าห้ามความคิดเนะไอ้เราก็ไม่อยากคิดไอ้เงี้ยไอ้คําว่าอย่าห้ามความคิดมันก็หลวงพระเทียนก็พูดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ไอ้ความที่เราก็เหมือนกับคล้ายๆว่าฟังนะก็จําได้แล้วแต่เวลาปฏิบัติมันก็จําไม่ได้นะหมายถึงว่ามันเหมือนกับพอเวลาที่เราขึ้นเวทีปุ๊บเนี่ยไอ้พอไอ้คําว่า ได้คาว่าอย่าห้ามความคิดตรงนี้มันก็มันก็เกิดมาโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ว่าพอเวลาที่เราลูกไปรู้ไปอย่างเงี้ยนะออพอเราเหมือนกับไม่ได้ปฏิเสธ ค, ความคิดความคิดเน่มันจะเกิดขึ้นมาก็มีเอาไว้ดูไม่ได้มีเอาไว้ทุกข์อย่างเงี้ยนะมันก็ทําให้ตรงนี้มันก็ผ่านไปก็ผ่านไปการที่เราปฏิบัติไปบางกายคลายคลาบางใจกลางๆไม่เพ่งไม่จ้องอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราก็ เป็นเรื่องที่ปฏิบัติไปแล้วก็ค่อยๆแนละ้วค่อยๆดูไอ้การที่เราเคยเหมือนกับตั้งใจมากๆตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับมันก็ไม่ผิดนะที่ตั้งใจแต่ว่ามันมันจะผิดตรงที่ว่าเราตั้งใจมากไปป่าวพอเราตั้งใจมากเกินไปเนี่ยมันก็เราก็ลองสังเกตดูเออขนาดที่ไหนที่เรียกว่าตั้งใจพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ คือถ้าไม่ไม่เหมือนกับไม่ปฏิเสธนะแล้วเราก็ไม่เอาถูกเอาผิดกันแล้วเราก็ค่อยๆมาปรับมาแก้ไขที่ตัวเราเองเี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ก็เขาเรียกว่ามันก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเราเองไปไปทุกทุกทุกทุกย่างก้าวทุกๆความเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ยากตรงนั้ น, นก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า ถ้าโดยส่วนตัวนะก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าพอเวลาที่เราปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือเป้าหมายของความไม่ทุกนะความไม่ทุกเพราะฉะนั้นนั่นคือพอเวลาที่เราปรับเปลี่ยนปรับปรับปรุงให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนะี่ยตรงนี้เหมือนกับเป็นสิ่งที่เหมือนกับก็เป็นความ ความภูมิใจเล็กๆน้อยๆ น, นะว่าโอ้่นี่เราเราเองก็สามารถที่จะช่วยตัวเองนะช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกได้ทีละเล็กทีละน้อยตรงนี้ก็เป็นในทางในทางส่วนตัวก็มองเห็นว่านี่นี่ก็เป็นศรัทธาเล็กๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นผลใหญ่แต่ว่าเราก็เห็นว่าในทุกขณะที่เราปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําเนี่ย ชีวิตเราก็ดีขึ้นนะเราก็เก็บเล็กผสมน้อยเป็นทีละเล็กทีละน้อยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับศรัทธาที่เคยมีกับครูบาอาจารย์เราก็ยังมีเพราะว่านั่นคือเป็นเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วเราก็มีศรัทธาในการปฏิบัติด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้หลวงพ่อเขียนก็เคยบอกนะเคยบอกอยู่อยู่เป็นประจำตรงนี้ว่าศรัทธาครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าศรัทธาตัวบุคคลเนี่ยมันจะเหมือนศรัทธาหัวเต่าหลวงพ่อบอกว่า หัวตาวมันผุบผุคำว่าผุบผุหมายถึงว่า ก, ก็คือเดี๋ยวก็ใจเราก็อาจจะนึกชื่นชมบางใจก็อาจจะนึกตำหนิอะไรอยา่ยอางนี้นะอย่างนั้นนั่นนึงคือตรงนี้เวลาที่เราไปเอาถูกเอาผิดแล้วก็อาจจะเสื่อมศรัทธานในครูบาอาจารย์อะไรตา่างๆพอเราเสื่อมศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธานในการปฏิบัติเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติต่อได้เราก็ต้องเปลี่ยนครูบาอาจารย์ไปเปลี่ยนวิธีการไปแต่ถ้าเกิดว่า เป็นวิธีการที่เราเองเรามองเห็นว่าไอาการที่เราจะเป็นวิธีการใดก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นวิธีการที่มันจะทำให้เราได้รู้เห็นทันจิตใจที่แบบว่ามีกิเลสเข้ามาครอบงำแล้วก็กิเลส ต, ตรงนั้นมันหมดไปจิตใจแล้วก็โลง่งจิตใจเราก็ว่างลงจิตใจเราก็ไม่มีทุกข์ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าวิธีของใครไม่เป็นไรถ้าเราทาแล้วได้ผลแบบนี้เนี่ย ความทุกข์ในในชีวิตเรามันจะน้อยลงจิตใจเราที่มันเป็นตัวที่มันคล้ายๆว่าเป็นตัวที่สะสมความทุกขนะ์เนาะมันจิตใจเราโล่งโปร่งเบาเลงเอาแล้วอย่างเงี้ยเนาะอย่างเ้ยนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเวลาที่ปฏิบัติเนี่ยเราก็เหมือนกับไม่ประเมินแต่ว่าเราดูจากผลคำว่าประเมินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ มันเป็นการประเมินใหญ่ๆนะในทางโลกเนี่ยจะมีคําว่าประเมินเนี่ยบ่อยๆแต่ว่า <c oughs> ในทางธรรมเนี่ยหลวงพ่อเขียนบอกอย่าประเมิน อ, อย่าประเมินเพราะว่าถ้าพอประเมินเนี่ยมันไม่ลงรายละเอียดนะมันไม่ไปดูว่าเอ๊ะมันตรงนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงเพราะว่าไอ้คําว่าตรงนี้เป็นยังไงตัวนั้นเป็นยังไงเนี่ยในทางธรรมในทางการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่า การรู้เป็นครั้งครัการรู้เป็นครั้งครัการรู้เป็นครั้งครัเนี่ยยิ่งสอยครั้งทีลงเท่าไหร่เนี่ยความจริงเนี่ยจะเห็นมากขึ้นจากความจริงจะเห็นมากขึ้นแต่ถ้าเป็นการประเมินเนี endpoint, sort of at, ่ยมันเป็นการเหมือนกับว่าป้ายสีไปรวมๆไปเลยอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพอเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพิจารณา พิจารณาเห็นเนาะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันทําให้เราเนี่ยมาตรวจสอบว่าเอ๊ะเราเดินถุกที่ถูกทางหรือเปล่าอนะงหรือว่าอย่างที่หลวงพ่อเทียนก็บอกเอาไว้บ้านในหลักในหลักการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยจะมีอยู่คํานึ่งอยากมีอยากอยา ก, อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอย่าอยา ก, ยากตรงนี้นะอะไรเงี้ยไอ้ความอยากตรงนี้ก็เหมือนกันก็เป็นคําถามที่ เราเองก็เคยถามทุกคนก็เคยถามนะอ้าวไม่อยากบรรลุธรรมแล้วจะทําไปทําไมอะไรอย่างนี้นะมันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติมากมากเลยนะแต่ว่าก็เคยสังเกตเรื่องนี้อยู่นะว่าเมื่อไหร่ที่เราอยากเนี่ยไคล้ายๆว่าด้วยคุณภาพจิตของเราหรือว่าโดยส่วนตัว้คุณภาพกิเลส ท, ที่มันครอบคลุมเรามานานเนี่ย มันทําให้ความอยากเนี่ยมนุษย์บรรลุผลง่ายมากๆเลยนะต้องเรียกว่าบรรลุผลทันทีเลยอยากอะไรก็ได้ตามนั้นเลยอยากอะไรก็ได้ตามนั้นนะพวกเราลองสังเกตดูไม่รู้ว่าจะเป็นแบบเดียวกันหุกอเปล่าก็คือพอเราอยากอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะเดินตามอยากไปแล้วก็ได้รับผลทันทีเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าอยากรู้อย่าอยากเห็นอย่าอยากเป็นอยา่าอยากมีนะตรงเนี้มันช่วยช่วยต้องเรียกว่า ช่วยมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับณขณะที่เราคล้ายๆว่ากิเลสเรายัางหนานๆอยู่เงี่ยถ้าเราเกิดยกความอยากของเราขึ้นมาเป็นเป็นเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าลําบากมากๆเลยเนะเราจะบรรลุความอยากแล้วเราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยพอหยุดอยู่แค่นั้นก็เกิดอะไรขึ้นบนเส้นทางที่เราตั้งใจที่จะเดินห่างความทุกเนี่ยมันก็ต้องหยุดลง เพราะฉะนั้นนั่นคือความทุกข์มันก็มาผูพันอยู่ใกล้ๆเราก็หนีไปไหนไม่ได้เลยนะนั่นนั่นคือตรงนี้นว่าอย่างบางทีอย่างเวลาที่เราเดินจงกลมอย่างเงี้ยเนานะเวลาที่เราเดินจงกลมอยากได้ทางแบบว่าเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างเงี้ยเสร็จเลยเพราะพอพ อ, อยากได้ทางเรียบร้อยเร้อยเราก็จะต้องไปนั่งจัดแต่งทางให้เรียบร้อยเนาะก็บรรลุจุดประสงค์เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนั้นซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ พอเวลาที่เราไปหยุดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเวลาที่เราควรจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปนั่งประดิษฐ์ประดอยใช่ไหมไปนั่งทําทางให้สวยไปนั่งแรงตาน า, น า, นานเหล่านี้กิเลส ก, ก็กาะตัวขึ้นอีกนะไอการที่เราแบบว่ากำลังตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ห่างออกไปอีกเพราะนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทนนะปฏิบัติไปบนทางอันนั้นไปอย่างน้อยที่สุดก็ยังรู้บ้างไม่รู้บ้างนะก็ยังดีอะไรต่างๆนาน า, นานตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ พอเวลาที่เราปฏิบัติทำตามแนวทางตรงนี้ไปเรื่อยๆเืๆรืๆ่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าอ้อนะในการที่จิตใจเราเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ในต่นานาเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเห็นง่ายขึ้นเพราะว่าการรู้ทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยมันทําให้เรื่องเก่ามันจบไปเรื่องใหม่มันก็ชัดขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องเก่ามันไม่จบนะมันคาลาคาสั์พัพวพันอยู่ใน ความคิดของเราเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดเลยพอเราผโลพันอยู่ในความคิดเราเยอะแ ย, ยะไปหมดเนี่ยไอ้การที่เราไปเจอเจออะไรที่เป็นปัจจุบันข้างหน้าเราจริงๆเราก็ไม่มีใจเหลือไปเผื่อดูแต่พอเวลาที่เรารู้เป็นข้างๆรู้เป็นข้างครังเนี่ยเราจะพบว่าอในทางจงกลมแต่ละครั้งแต่ละครั้งบางทีนะการเดินเนี่ยโอ้จิตเราเปลี่ยนมากๆเลยนะบางทีจิตเราก็ไปพอใจเนาะไอ้สภาพของ พื้นที่ของทางจงกรมบางทีจิตเราก็ไปแบบว่ า, า <c oughs> ไปนึกอย่างดัดแปลงสภาพทางจงกรมบางทีจิตเราก็ไปแบบว่าไปเจอใบไม้ใบไล่แรงตนาน า, นานเหล่านีนะ้มันเหมือนกับทุกขก้าวทุกขก้าวทุกขก้าวของเราที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเคยแบบว่าอยู่กับโลกภายนอก อยู่กับการที่จะไปให้น้ําหนักอย่างที่บอกนะอามุดีก็อาจจะไปคิดตกคิดแต่งคิดตัดคิดแปลงอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เพราะเวลาที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นครั้งครรู้สึกตัวเป็นครั้งๆตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับสติเราก็เก่งขึ้นนะเก่งขึ้นเร็วขึ้นมันก็ทันเห็นอ้อจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนจิตมันเปลี่ยนตรงเนี้มันก็จะทําให้เหมือนกับคล้ายๆว่าเออไอการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ย บางทีไอการที่จะเห็นผลเห็นแสงเห็นสีอะไรตานานาเหล่านี้เ <American> น <Hebrew> ี <out> ่ยก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับก่อก็ไม่รู้แล้วนะก็โดยส่วนตัวก็เหมือนกับว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอยากจะเห็นแสงเห็นสีอะไรแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้นี่จิตใจของเรามันเปลี่ยนไปแบบนี้จิตใจของเรามันเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยแล้วเราเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่า เออมันก็เป็นคุณภาพใหม่ของการของการเห็นเนาะเพราะเมื่อก่อนนี้เราใช้ตาเห็นเนาะแล้วเราก็คิดดัดแปลงทันทีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นสติเห็นแล้วเราเองก็รู้ทันทีว่า อ, อ้อนี่จิตมันเป็นแบบนี้จิตมันเป็นแบบนี้ในการเกิดการดับแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นเหมือนกับเราจะมองถึงเขาเรียกว่าไตรลักษณ์ที่เป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เนาะ ความไม่มีตัวตนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เราก็จัดหมวดจัดหมู่เรื่องพวกนี้ยได้ง่ายขึ้นเพราะจิตเราเนาะมันไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนต้องเรียกว่าอาจจะเร็วกว่าวินาทีด้วยซ้ําไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างเง้ยตรงเนี้ยมันก็เป็นนั่นมันก็เป็นก็เรียกว่าจะมองในความไม่เที่ยงจิตมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาจะมองในความไม่มีตัวตนไอ้ที่มันแล้วไปแล้วมันก็ลืมไปแล้วเพราะว่าไอ้ของใหม่มันก็ ดาน่าเข้ามาเดี๋ยวจิตมันก็เปลี่ยนเป็นแบบนูน้นจิตก็เปลี่ยนไปแบบนี้ในะาตานานาบางทีไอความเป็นทุกข์นะของจิตมันก็แบบว่าทําให้เราขยับกระยื่นเคลื่อนไหวเวลาที่เรานั่งสร้างจังหวะหรือเวลาที่เราเดินจงกรมเวลาที่บอกว่าเออนี่เราเร า, เราลองตั้งอธิษฐานดูว่าวันนี้นะเราจะไม่แบบว่าจะเดินจงกรมนะ จะไม่ไม่นั่งสร้างจังหวะจะนั่งจะนั่งพักนั่งอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเท่านี้เองสมมติเกิดว่าเราตั้งใจแบบนี้เนะี่ยเราก็จะพบว่าจิตเนี่ยมันก็จะแบบว่าดิ้นกันคลมุมความลมุมคลามให้เราได้ให้เราได้เห็นนะให้เราได้เห็นมากขึ้นอะไรต่าง ๆ, ๆพอเวลาเราตั้งใจแล้วสิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยกิเลสเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันก็จะเขาเรียกอะไรดิ้นหล่นขึ้นมาให้เราได้เห็นทันทีอนะไรอย่างนี้ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าพอเราปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปเนี่ยสิ่งตาตานาๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำนา้วซ้ำเล่าซ้ำแานซ้ำเล่าให้เราได้เหมือนกับให้เราได้เห็นให้เราได้เห็นให้เราได้สนุกก็อาจจะยังไม่สรุปนะแต่เหมือนว่าให้เราได้เห็นแล้วเราก็ได้เห็นมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งเราก็แบบว่า ปฏิเสธไม่ได้พอเราปฏิเสธไม่ได้เราก็นึกถึงว่าโอ้นี่เนะแบบว่าครูบาอาจารย์เนาะพุทธเจ้าที่ได้กลุยทางไว้ให้เราเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็สะดวกสะดวกกันอย่างยิ่งที่จะเดินตามสะดวกกันอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามแต่ว่าขอว่าเพียงแต่ว่าอันนึงก็เราก็ปฏิบัติกันไปก่อนปฏิบัติกันไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปหวังอะไรอย่าเพิ่งไปอะไรยางไงก็ตามานะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คิดว่า เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติเป็นเป็นหลักๆเอาไว้ก็คือรู้ว่าคิดเนี่ยกลับมาก่อนรู้ว่าคิดเนี่ยกลับมาก่อนกลับมารู้สึกตัวไว้ก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นยันที่ดีมากๆนะเพราะว่าพอตอนหลังๆเนี่ยไอการที่เราจะไปเอาเหตุเอาผลกับความคิดอะไรต่างๆนานาเหล่านี้หรือว่าเออเมื่อกี้คิดอะไรอะไรต่างๆพื้นที่ตรงนั้นมันจะหายไปจากชีวิตนะ พอพื้นที่ตรงนั้นมันหายไปจากชีวิตเนี่ยพื้นที่จะเป็นพื้นที่ของความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้ก็ชวนพวกเรานะก็ชวนพวกเราว่าการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิบัติอย่าได้ทิ้งอย่าได้วางหลวงพ่ะคำเขียนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะก็เป็นสิ่งที่ เรไม่ใช่อะไรตาตนานาหลวงพ่อกําเสียนนี่แหละที่ได้เห็นหลวงพ่อมาในช่วงหลายๆปีเนี่ยหลวงพ่อก็จะเขาเรียกว่าไม่ไม่ทิ้งกันปฏิบัติเลยนะอย่างเวลาที่นั่งรถเนี่ยกับหลวงพ่อมาในช่วงตั้งแต่ปี4ี่เ้ามาจนถึงปีนี้เนี่ยหลวงพ่อไปกรุงเทพกลับมาบัานไปกรุงเทพกลับมาบ้า น, นหลวงพ่อต้องเรียกว่าไม่เคยหลับ แล้วในขณะที่ไม่เคยหลับเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อจะทําหลวงพ่อก็จะหาเรื่องขยับนิ้วเล็กๆน้อยๆเนานะคอยรู้สึกตัวแล้วก็จะเห็นสังเกตเห็นนะบางทีหลวงพ่อไม่ขยับนิ้วหลวงพอยกเท้าขึ้นมาพักหลวงพ่อก็ขยับนิ้วเท้าเล็กๆน้อยๆบางทีก็เอามือมาเคาะกันเล็กๆน้อยๆอ ย, อย่างก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าเห็นเห็นไม่เคยขาดแม้กระทั่งตอนที่ หลวงพ่อให้คีโมเนี่ยก็คอยสังเกตก็คอยสังเกตอยู่ว่าหลวงพ่อทําอะไรยังไงบ้างเนาะหลวงพ่อก็ขยับนะะขยับนิ้วเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆเท่าที่ขยับได้เนี่ยซึ่งเราก็มองเห็นแล้วก็มองเห็นว่านี่นี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อก็คอยคอยรู้สึกตัวไม่วางนั่นนั่นคือตรงเนี้ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ก็ดีนะ ก็ได้บอกเอาไว้แล้วก็เราก็เห็นว่าผลที่การปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้มีให้เราได้เห็นในอิริยาบถต่างๆที่ท่านมีจะเป็นการกินการนั่งการยืนการเดินการนอนอไรทั้งหลายแลนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือผลของการปฏิบัติเพราะนั้นนึงคือถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นเราก็ทำตามนั้นนะนั้นนึคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ถึงวันนี้เองก็มั่นใจน ะ, ะว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็คงต้องเรียกว่าก็อยากเชียร์กันเพราะว่าตัวเองก็ไม่ทิ้งน ะ, ะก็คิดว่าจะไม่ทิ้งการปฏิบัติเพราะว่าตรงนี้ก็เห็นผลอยู่แล้วก็อยากไปถึงจุดนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ชวนกันนะฮะชวนครับ <c oughs> เป็นหางอะกันไหมเอไปได้เร่นะไม่ติดอะไรมากเป็นยังไงบ้างนีก็ดีอได้กิจกรรมน้อยมันจะนิ่งขึ้นนะกิจกรรมน้อยหมายถึงไม่ได้มาเสียเวลาเลย ออ๋ไม่คุยกับใครไม่คุยแค่น้อยก็ดูเพก็ดีว่าตั้ใจเยอะกว่าแตกเตือนแม่แตกเตอนแม่แตกเตืว่าอยู่ถึงเท่าไหร่ว่จะไม่อยู่แฝดแสงเทียนที่ตัองเตือนที่มีอะไรไม่ใช่แตกอยู่จนกว่าแม่จะมา แม่ไปอยู hmm. Guys, ่บนนอพอแกกลับมาก็จะมาอยู <speaking <speaking ่ด้วยก็ช่วงนี้อยู่คนเดียวว่าเลยว่าจะไปอยู่ที่แปลอ๋อก็ดีนะถ้าไม่มีพราะท่น้นาสิกาเยอะีปฏิบัติบาสิกาใวัเคอเจอยมพิกณไปมาสองครั้งเคยเจออยู่ช่วง้แต่ยังไม่ได้ขอเรื่องไปอยู่เยคุณยมพิกลคุณยมพิกลเป็น ก็ใจดีค่ะไม่รอดไปถึงอายุมากไหมแข็งแรงไหมแข็งแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแต่ว่าสุขภาพภายในอาจจะไม่ค่อยดีเรื่องระบบระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหารอายุเท่าไหร่ห6บหน้องถั ง, ไ ม, งไม่เคยเจอนเลยเคยได้ยิน <c ười> ชื่อเสียงสอนไม่เยอะค่ะแต่แกบอกพี่ทำมากมากแล้วก็ให้กำลังใจขึ้มาด แค่แค่แต่งฟันเป็นอย่างเงี้ย mm hmm. เราต้องกลับมาดูตัวเราฝึกด้วยตัวเราแค่ไขตัวเองมีบ่อยๆทำได้แค่นั้นเะใครทําได้มากก็ก็วางได้มาก mm hmm. ไม่ใช่ว่าได้มากนะในวางมาก <c oughs> <c oughs> ในวางในวางความยึดติดในวางตัวตนในวางความเห็นผิดเรีน ม, มากขึ้น ถ้าเข้าถึงความว่างนะถึงความว่างว่างในที่นี้คือว่างจากการยึดมั่นถึงมั่นว่างจากความปรุงแต่งว่างจากการหลงผิดนะจะาปฏิบัติเพื้เกิดความว่างตร็นี้แหละแต่ไม่ใช่ว่าคือว่างแบบว่างแบบไม่ไม่ไม่ละอะไรบางคนไปสร้างความว่างแล้วก็ไปอยู่กับมันไม่ใช่แต่เราเห็น เห็นความหลงเห็นความยึดติดเป็นกีดเดสแล้วเราก็ปล่อยมันได้มันอันนี้คือว่างว่างวางจากการยึดมั่นถือมั่นวางจากความกลุงแตง่ง น, นี้ติเพืแค่นี้แหละที่จริงปฏิบัติไม่ได้มากรู้ทันการปรุงแตง่งรู้ทันความเห็นผิดรู้ทันการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แล้วก็วางมัน สติมันก็บางของมันเองนะสติตัวจริงๆมันบางของมันเองแต่ถ้ามันไม่บางมางทีก็ก็ช่วยมันบ้างนะแต่ช่วยแบบอย่าไปโกรธความหลงช่วยแบบก็เออก็รู้ว่ากําลังมันอ่อนก็ไปช่วยบ้างเหมือนคล้ายเราทำอะไรถ้าเราทําเองได้นะเราก็ ท, ทนนะําสําเร็จนะเราทําไม่ได้เราก็ต้องเรียกเพื่อนมาช่วย <c oughs> ใช่ไหม มันก็สําเร็จได้อีกแบบหนึ่งกันแม้ไม่สําเร็จด้วยตัวคนเดียวแต่ก็สำเร็จโดยการมีเพื่อนช่วยแต่บางทีถ้าเราฝืนฝืนเกินไปมันก็อาจจะแยกก็ได้เหมือนเรายกของหนักของของมันเกินกําลังเราเรายกไม่ได้เราจะฝืนยกเนี่ยร่างกายก็ปาดเจ็บแต่เราเรียกคนมาช่วยมันก็อาจจะยกกันได้อันนี้ก็เหมือนกันบางทีสติ 4. กำลังมันคนเดียวไม่พอก็ต้องอาศัยอาศัยกำลังของสมาธินะหรือบางทีก็ต้องมีเจตนาเข้ามาเข้ามาช่วยบ้างหรือบางทีไอคนนี้ไม่ไหวเห็นไหมก็ใช้ศีลเป็นการป้องกันะ <c oughs> ความคิดมันยังผุกรุนอยู่กับความโกรธเจแต่ยังไงเราก็มีศีลที่จะไม่ดา่า เนะ่ไม่ไปทําร้ายเนี่ยนคะนอื่นเนี่ยเนี่ยก็คือมันก็เป็นตัวที่ที่คอกครองไว้หลายตั่วเช่วยกันนะหรือบางทีบางช่วงมันไม่ค่อยมีอารมณปฏิบัติอ่า <c oughs> นะมันเบื่อเบื่อมันเต็งเต็งมั น, งมนหงุดหงิดเนะี่ยบางทีเราก็ปฏิบัติไม่ไหวก็ทําอะไรที่มันเป็นงานที่เป็นประโยชน์วันนี้ก็ได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษนะ เช่นอ่านหนังสือธรรมะฟังซีดีหรือว่าทำงานบ้านถูกต้นไม้ต้นนาต้นไม้ให้จิตมันมีความสุขนะหรือไปช่วยเหลือเด็กยากจนอะไรเนปะ็นเนี้ยไปทำแล้วจิตมันมีความสุขขึ้นมาจิด ม, มีความสุขขึ้นมาครั้นี้มันก็กลับมาปฏิบัติได้อีกทีมันก็ปฏิบัติได้อ น, นี้ก็ตัวนี้มันมันช่วยเราได้ทั้งหมดแหละนะไม่มีใครพิเศษเดินได้แบบ ตลอดต่อเนื่องหรอกนะหันมาว่านะมันก็บางทีก็เบื่อบ้างบางทีก็พ้อบ้างบางทีก็อลุงซานบ้างนะเราก็ต้องอาศัยเรารู้จักตัวเราเองนะและ้วก็ปรับเปลี่ยนแค่ไขเนะี่ยมันไปเรื่อยๆนี่สําคัญที่ตัวบาอาจารย์หรือเพื่อนก็ก็ผู้ที่ฟังอยูนะ่ทําให้ดูะ หรือว่ามีคำถามจริงๆก็ได้เปลี่ยนคำถามกันหน้าแต่เราก็ปฏิบัติัเองนะแต่ก็แต่ตอนไหนปฏิบัติเองก็ก็ต้องมีความให้ครวอนดูอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งเราปฏิบัติเองนานๆคนเดียวบางทีมันมันอาจจะเอกจริงเอาจังเกินไปไหมหรือบางทีไม่ค่ายไหมเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยนะครับบางทีมัน ทีเราก็จะเผลอทําต่อเนื่องนานๆเนีน่ยมันจะเผิดเครียดเผลอเอาจริงมาจังได้ง่ายเราก็ต้องรู้จักวิธีฝันคลายนะหรือบางทีเราปฏิบัติไม่มีการยาณมิตรเนี่ยพอเจออารมณ์มันติดได้ง่ายเราก็ต้องรู้เออว่าติดอารมณ์แล้วหาทางเปลี่ยนเตินอารมณ์ออกมานะจากความโก่ธให้มันเร็วๆนะที่เราเนี่ยเตือนตัวเองเป็นการามิตรกับตัวเราเอง ไวไปอยู่ที่ที่เขาตั้งใจปฏิบัตินะมันก็จะได้พลังขึ้นมานะได้พลังขึ้นมามีเพื่อนมีมิตรมีคอยปฏิบัติหรือว่ให้กำลังใจกันก็จะมีกาลังกันทุกไปแต่ก็อยากแคอก่อยากแค่ขยันข้างนอกทำแท้จริงนะมันต้องทำภายในนะทำไมสมัยก่อนบางทีเขา บรรลุธรรมแค่เกิดจากการแค่ฟังธรรมไม่กี่ประโยชนะ์ฟังเทศการหนึงเขาก็บรรลุธรรมเพราะอะไรมันเป็นการทําภายในทําภายในอาจจะไม่เดินจงกรมหามลูกหางพันหรือยกมือให้หามหางพันแต่แต่จิตใจมันมันก็มันซึมซับธรรมะจากที่จริงจากบททำสวดมนต์ทำบัดจากการฟังเทศนะมันก็จะช่วยช่วยคลายให้เราเข้าใจบางใจถูกได้เยอะขึ้น เลาที่เหลือแล้วก็ปฏิบัติทำในรูปแบบอะไนี้กจะช่วยกันทั้งสองส่วนไม่มีอะไรมั้งั็สารที่จคิดว่าเลาเรากินเดีหรือว่า บางครั้งบางครั้งจิตมันก็พิจารณาของมันเองก็เป็นแต่บางครั้งถ้าสาหรับคนมาเป็นอุบายสาหรับคนที่ทำสมาธิเป็นหลักพอทำสมาธิเป็นหลักมันจะค่อนข้างติดความสงบวิธีการไหนที่ช่วยให้จิตมันออกจากความสงบก็คือการให้มันพิจรารณาพิจรารณาพิจรารณาขันเนี่ยพิจรารณารูปพิจรารณานี่แหละก็จิตมันก็จะไปดูดออกจากความสง บ, สงบไป ไปอยู่ในการพิจารณาขันเป็นใจรักษหนีน้มันก็มันก็เป็นอุบายทำให้จิตมันมาเดินปัญญาต่อก็ได้แต่มาว่าเป็นอุบายสาหรับคนที่ที่ทำสมถะเป็นหลักแต่ถ้าวิปัสสนามันเห็นมันเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นการเกิดดับอยู่บ่อยๆแล้วไ ม, ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาก็ได้แต่นอกจากบางครั้งที่มันติดจริงๆก็ค่อยไปพิจารณา บางคนคือมันก็เป็นคือต้องเห็นตามความเป็นจริงบางคนไปพิจารณาอย่างเช่นพิจารณาร่างกายเป็นสตุภะนะ่นสตุภะก็ไม่ใช่ความเป็นจริงมันอาจจะช่วยให้เราเบือนนายเบือนนายในรูปแต่มันก็แต่มันก็ไปคล้ายๆมองแต่ด้านลบของรูปนั้น ม, มันมันก็ยังไม่ใช่ของจริงจริ ง, รงแต่ถ้าเราเห็นเห็นว่า สมมติลูกร่างกายเนี้ยมันมันเป็นทุกข์ตอนที่มันยังไม่ทุกข์เราก็ไม่รู้สึกว่าเจ้าไพ่อพี่นามันทุกข์แต่ตอนที่มันทุกข์ขึ้นมาเช่นปวดขาไม่สบายจิตมันก็จะซึมไปเองหรอนี่ลูกมันเป็นทุกข์แบบนี้เนาะเราก็ระวางความยึดมั่นถือมั่นในใจไม่ต้องไปทุกข์กับมันเพื่ก็สังเกตดูรูปมันก็ยังทุกข์อยู่เนาะใจมันทุกข์ไหมใจไม่ทุกข์ลูปทุกข์ มันก็แยกกันละใจมันใจมันปกติรูปมันรูปมันทุกข์นะมันก็แยกกันละหรือบางทีเรารู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็คิดอ่ะรู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็คิดมันเป็นอะไรมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของมันเองคือพรทธเจ้าพูว่าให้เอาขันธ์ข้ามที่เจริญามทีจริงๆเราก็รู้สึกตัวอยู่นี่เราไม่ เลยวันนี้เราคิดเอ๊เราเอาผานหน้าเจนาโดยไหมเพราะว่าเูาไปกว่ามันก็อย่างที่ว่ามันก็จะนิ่านเคิดว่มันไม่ใช่หรอกงคผมค่อยทำไปเรื่อยดีกว่าให้มันออกเองนี่จ้อ่าก็ถ้าถ้าสายหลวงพ่เทียนมาว่าอืมไม่ต้องพิจารณาถ้าถ้าปฏิบัติแบบอันนี้คืออามาเป็นเทคนิคเป็นเป็นอุบายของเนี่ยถ้าไปบัดแบบสายหลวงพ่เทียนเน้น เน้ฝึกสติเป็นหลักเนี่ยไม่ต้องเอาเอาความคิดไปพิจารณาเรื่องต่างๆให้มันเราก็ฝึกสติไปเรื่อยๆบางครั้งจิตมันไปพิจารณาของมันเองซึ่งไม่ใช่เราตั้งใจพิจารณานะจิตมันไปพิจารณาเองเช่นเรานอนไม่หลับเหมือนน่ะเราก็รู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ทุกข์อะไรแต่บางทีจิตมันก็มันก็ดูของมันหรือมันก็ไปพิจารณากายของมันเองก็มีนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะพิจารณาแต่มัน มันเข้ไปของมันเองแบบนี้ก็มันมันก็บังคับไม่ได้เราก็ดูมันไปถ้ามันคิจารณาเองก็ปล่อยอย่าอย่าอย่าไปฝืนว่าเออทําเออเลิกกลับมานีอาจารย์ในสายเนียัพิจารณาคือแนะนำหมอว่าให้เราพิจารณาครับหมอเมันพิจารณาคือใช่มันจนแยกได้ม่แยกเป็นกองกองย่างทนว่าก็มัน้อแยกเป็นกองกององ ได้มันเป็นอย่างความคิดมันไปคิดเองว่าเออมันไม่ไม่ขาดเนคือไม่คิดดีกว่าใช่ใชมันมันก็อาจจะเป็นแค่ความรู้ไว้ก่อนเป็นแค่ความรู้ไว้ก่อนแล้วก็จิตพอพอมันพร้อมจิตมันก็เหมือนจะแยกตัวมันเองก็คือมันคิดมันคือการคิดให้มันเป็นอย่างที่ เราอยากให้มันเป็นมันก็เป็นการเจตนาอยู่มันมันก็ยังเป็นปัญหาที่อยากจะอยากจะแยกให้ชัดอยากจะรู้ให้ให้แบบเป็นเหมือนที่คนอื่นเขาว่าไว้เนี่ยก็เป็นความอยากแต่จริงปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครบางทีเห็นไม่เหมือนกันก็มีนะเห็นไม่เหมือนกันก็มีหรือที่จริงอันมานี่อาจจะมา ว่าเองน ะ, ะบางทีแม้แต่ลำดับขั้นที่หลวงพ่อเ ท, เทียนท่านว่าบางทีก็อาจจะไม่ใช่ลาดับแบบนั้นก็ได้อืมแต่เมื่อรู้ในธํานองประมาณนั้นแหละแต่บางทีก็ไม่ใช่ว่าเป็นสเตปแบบตายตัวแบบนั้นก็ได้ซึ่งไม่รู้นอาจมารู้สึกว่ามันก็อนเรื่องพวกนี้มันมันแล้วแต่จะดิดของแต่ทะกคนด้วยมัน มันแต่และคนเปนแบบไหนหรือบางคนติดตัวไหนนานติดตัวไหนช้านนะติดตัวไหนเร็วออกได้เร็วหรือออกได้ช้าก็าเป็นคนลนะคนละส่วนกันแต่จริงมันก็แยกแยะไปในะทำนองนั้นแหละแต่ไม่ต้องเปแบบต้องเป็นแพทเทิร์นเหมือนกันหมดบางคนเขาพิจารณาแล้วเขารู้สึกว่าเขาเดินได้ดีเขาอาจจะรู้สึกว่าใช่สําหรับเขาก็ได้ออ <c oughs> แต่แต่ถ้าบางคนพิจารณาแล้วก็ต้องวางให้มันได้หมายถึงว่าถ้าแบบตั้งใจอนะ ตั้งใจพิจารณาก็ต้องวางเพราะถ้าเราไม่วางคราวนี้มันถ้าถ้าจิตเรามันติดการคิดพิจารณาคราวนี้เดี๋ยวเรื่องอื่นมันก็จะมาเอาหมดนะฮะเอาฟังธรรมะเราไปเดินจงกรมเองเนี่ยก็พิจารณาธรท อ, อตลอดในการเดินแล้วนั่งสมาธิแล้วนั่งยกมือก็เหมอเดี๋ยวก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพิจารณามหมดซึ่งมันทําให้เราไปหลงอยู่ในกับความความคิด มืนพกฟิบิบติดวิปัตสนูก็คือนะติดในพวกของไอตัวความรู้มันรู้แล้วมันก็ชอบมันก็อยากจะรู้อีกหรืออยากจะเข้าใจให้มันละเอียดอีกเนียมันก็มันก็ยังติดในตรงนี้แหละแต่บางครีมันแต่มันก็ห้ามไม่ได้นะมันก็เป็นทางที่ที่ที่ต้องผ่านทางที่ทุกคนก็ต้องเจอแหละแต่ถ้าเรารู้ตอนนี้ไปก่อนครูบาอาจารย์เตือนไหมครั้นี้เราจะมาเอะใจเอออันนี้เนาะคือ เราดงไปคิดแล้วนะหรืออย่างอย่างบางทีอย่างสายเราก็พอสายเรามีการพูดค่อนข้า ง, างชัดเจนว่าเราจะไม่บริกรรมไม่ไม่ใช่คาพูดํา ก, กับแสดงว่าตอนที่มันพูดกํากับเช่นการบงยกมือหรือมันคิดแล้วนะอันนี้แสดงว่าจิตมันปรุงแต่งนะใช่ไหมแต่ถ้าบางบางวิธีเนี่ยเขามีคําบริกรรมหรือว่ามีการไปกําหนดแบบนี้บางทีมันระหว่าง ว่างการรู้ซื่อๆเนี่ยมันไม่รู้ซื่อมันเป็นการเจือคำพูดไปจนจนเคยชินว่าว่านี้มันก็ไม่ได้เสียหายไม่อะไรแต่จริงมาว่าเอมันก็ต้องวางวางไอ้ตัวสมมุติบัญญัตินี้ให้ได้ถ้าวางไม่ได้มันก็ยังมันก็ยังต้องพูดเนี่ยต้องคิดอยู่มันก็จิตมันก็ไม่ว่างจริงเพราะมันเป็นสมมุติใช่ไหมแล้วที่จริงถ้าทํำบ่อยๆเน่ะ แทนที่จะสบายนะเหนื่อยใช่ไหมฮะถ้าเราต้องพูดบ่อยๆบริการบร่อยนี่คิดมันเหนื่อยนะแต่ถ้าถ้าเข้าถึงความสงบแล้วก็ทิ้งมันก็มันก็จะได้มันก็ได้ก็ได้เหมือนกันแต่จริงปฏิบัติไปแล้วมันตลกตัวเองมากกว่าตลกนะอืมคนบ้าเขาอาการแบบไหย คนว่าคือคนอะไรอาการของคนว่าแบบไหนพูดคนเดียวคนว่าก็พูดคนเดียวเนาะถ้าเรามีไหมพูดคนเดียวคิดคนเดียวพูดคนเดียวอยู่ตอบโต้กันเองใช่ไหมเราดูคนมากนอกก็พูดพูดกับต้นไม้พูดพูดกับข้จะพูดออกเสียงนะ เราเห็นก็พูดออกเสียงแต่เราก็บ้าภายในพูดคนเดียวในใจอะนะทั้งวันเลยนะปฏิบัติธรรมันก็เห็นเป็นความคิดมันพูดขึ้นมาแต่ก่อนเราไปหลงไปมองว่าไอ้คนอื่นก็บ้าไม่จริงพอปฏิบัติธรรมเราก็บ้าเหมือนกันคิดทั้งวันเลยนะแต่เราห้ามไม่ได้นะอืมห้ามไม่ได้เราก็แค่แค่วางมันไป เราไม่ได้ดีกว่าใครคนอื่นทั้งหรอกถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมัมแต่ปฏิบัติธรรมก็ไม่้บอกว่าเพื่อเราจะดีกว่าใครนะเออแต่มันจะเป็นมานะ์อัตต า, าตัวตนอีกนะครับปฏิบัติเพื่อ <c oughs> เพื่อลคะความหลงแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเราคิดทั้งวันพอปฏิบัติทรรมเราเห็นว่าคิดทั้งวันเลยเราก็บาก้าเหมืกันนี่หว่านะครับก็วางไปได้นะ หรือบางทีถ้ามีปัญญาขึ้นมาก็พิจิงไอคิดมันไม่ใช่เรามันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องของมันต่างหากเราไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเราก็เราไม่ใช่ความคิดเราไม่ใช่อารมณ์มันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ เ, เกิดขึ้นเฉยๆก็ก็อยู่อยู่ร่วมกันเฉยๆรู้อยู่ร่วมกันแต่ไม่ก็ไม่ทุกทกับทุกอย่างก็ได้ ก็ไม่มีเราเป็นผู้บ้าไม่มีเราเป็นผู้คิดนั่นก็เป็นแค่ความคิดเฉยเนี่ยมันก็ก็สนกนะมันก็จะหลอกความมันทำไมคนพูดถึงความคิดบ่อยจังก็มันมีจริงไม่ค่อยคิดแหละคนไหนไม่ค่อยคิดไม่คิดก็สงสัยว่าไอ้ตรงไหนเขาพูดความคิดบ่อยจัง จอยู่ในหมู่คนที่คิดเยอะค่ะไม่ถามถามเพื่อนเพื่อนเ้าบอกเขาก็คิดมากถ้าตามเขหมคนไม่คิดมากเ้าก็บอกเ้าคิดมากก็เลยเอ๊ะทำทำไมคนอื่นเ้าคิดมากจังล่ะใส่ก็คนก็คิดมากจริงๆแต่บางคนก็อาจจะอาจจะไม่คิดมากก็ก็มีอยู่เหมือนกันก็แต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่มีจิตคิดมากหรือมีจิตคิดน้อย แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเ่ามาปก็มันก็หลงเหมือนกันแหละแต่บางคนมันหลงในรูปของการคิดแต่บางคนก็หลงไปรูปของของความสุขความสบายไปสบายไปเลยก็ไม่คิดนะบางทีสบายยังไม่คิดนะใช่มันมีช่วงหนึงที่ยมปฏิบัติธรรมแล้วก็เลิกคิดไปเลยไม่คิดไม่ฟู้งว่ามันหายไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่คิดก็เลยก็เลยมามาละหลาย ก็เลยไม่ก็คือคนก็ไม่คิดกันเยอะอย่ยิ้มยิ้ก็ไม่คิดยิมยิ้มเขาก็คิดตัวใหญ่ก็คิดแต่นั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ไม่เห็นเป็นรูปของความคิดก็ก็มีสติรู้ทันเวลาบางทีอที่เรามาพูดมันบางทีแค่แค่ใจมันมันไหลอะก็จะเริ่มองเนี้ยก็ดูแล้วคือคือตามองอ่าใจก็ไหลไปมองด้วย แต่อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเราไปปรุงต่ออีกเนะี่ยอันนี้คือลงไปละลงไม่ต่อละแก้วสวยแก้วไม่สวยสมมตินนะคือมันไหลอยู่แบบนี้แต่ถ้ามองก็แค่ดูว่ามองนี่เป็นวิญญาณเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของรูปอย่างนี้นนก็แต่ไม่ไม่ต้องกังวลนะบางคนก็สงสัยทำไมเพื่อนก็บอกว่าเขาคิดมาก เราไม่คิดมากเลยก็สงงใส่สงสัยที่จริงความงสงสัยก็เป็นความคิดอย่างนึ่งคิดสงสัยนะนะก็ไม่เป็นไรนะแต่บางคนก็มีเครดิตคิดมากแต่ก็แต่ถ้าเรารู้มากก็ก็ดีบางครั้งหนูข้เทียนพูดขนาดว่าวยิ่งคิดมากยิ่งดีแต่ที่มันไม่จบแค่นี้นะนถึงเลยแต่มนก็ต้องรู้มากเลย อะไรคิดมากมันถึงคิดมากเราก็พิพิธภัณไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยมีอะไรผดขึ้นมาคือจะกลายเป็นติดเชื้บางถ้าไม่เห็นความเกิดดับหรือว่าของของของน้มก็ดูความเกิดดับของรูปก็ได้ดูของนามก็มีบ้าง อ, อ่แต่ว่ามันไม่เยอะอืมนก็ดูรูปดูรูปเป็นลักไปไม่ไม่เป็ น, นไรดูรูปบางที ด, ด, ดูความรู้สึก อาจจะไม่เป็นความพีอาจจะแค่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่แปลเป็นรูปแบบคิดเป็นเรื่องราวแต่บางกีมันแค่รู้สึกสุขหรือทุกข์อะไรเนงะี้ยก็เขาดูตอนนั้นก็ได้ง่วงนอนทุกไหมเนะี่ยง่วงนอนแล้วมันทุกข์อ่อนมีความทุกข์เกิดขึ้นนะผมติหายง่วงนอนสุขเกิดขึ้นเนะี่ยมันก็เกิดดับประมาณนี้ก็มันก็มันมียอยูนะ่แต่บางคนบางคน หลงไปก็ไปพอใจไปไม่พอใจไปคิดต่ออีกตหลายเรื่องแต่บางคนเ้าอยู่กับโรคมามากรับข้อมูลมาเยอะดูโทรทัศน์ฟังข้อมูลอ่านหนังสือเยอะคุยกับคนนั้นคนนี้เยอะมันเก็บมันเก็บไว้ตอนพู่แล้วมันก็เก็บไว้พอปฏิบัติคนนี้มันก็ปุดขึ้นมายิ่งคนที่แบบมีสังคมเยอะ อ็จะคิดเยอะสังคมเยอะเยอะนะแต่บางคนอาจจะสังคมไม่มากนะักค่อนข้างอยู่คนเดียวอยู่นิเมียนะก็ก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะคิดคนเดียวหรือบางคนก็อาจจะไม่ค่อยคิยคด ก, ก็ได้แต่คนแบบคนที่มีการงานเยอะมีสังคมเยอะเยนะ็นสใหญ่จะจะโจมตีความคิดไม่ง่ายพอปฏิบัติธรรก็ถ้าวางใจไม่เป็นก็จะราคาญความคิด แ ต, แต่สายเราก็เตียนท่านเน้นคิดก็คิดไปแล้วก็รู้สึกตัวไปก็จะไม่ ล, คลาคาญมันก็เป็นหน้าที่ของมันเราก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเ้ยอย่างลดูตัวเราเองาการขยับกรยึ้งเคลื่อนไหวของเราอันนี้คือคือมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราจับตร เวลาจับนี่เวลาจับนั่นมันเกิดจากอะไรจะไหมฮะ <Okay. S 1> ตรงนี้คือมันเป็นเรื่องที่มันเกิดทุกข์ถ้าเราก็แก้ทุกข์ให้มันเกิดทุกข์แล้วเราก็แก้ทุกข์ให้มันแล้วเราก็ขยับขยับนี่คือถ้าเราเหมือนแบบไม่มีความเิื่ให้ดูเราก็ดูพวกนี้อย่างพอมันนี่คือมันทุกข์เกิดขึ้นจะไหมฮะมันเป็นทุกข์ของทุกข์ของกายหรือทุกข์ของใจกันอะไรเงี้ยบางทีนิดนหน่อยหน่แต่มันเป็นทุกข์ทางใจเราก็ จะไหฮะคลายทุกข์ให้มันหน่อยนึงเช่อไหมฮะหีอะไรต่างๆๆๆการขยับของเรามความจำการทางการทางใจที่ที่มันเหมือนกับว่าให้เราได้ได้ได้ดูได้สังเกตความคิดมันก็เป็นเสริมเป็นเรื่องของจิตอะไรนะพระพุทธเจ้าก็มีมีอีกหลายหลายอีกหลายหส่วนที่เราได้ให้เราได้ดูก็ตรงนี้ท่าดู ท้ายที่สุดมันก็ขมวดรวมเข้ามาถึงใช่ไหมฮะถึงการที่เราใช่ไหมฮะเป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องความไม่เที่ยงเป็นเรื่องความไม่มีความรรมขมวดรวมในตรงนี้คือรู้สึกตัวมัน แ็จรู้สึกตัวทุกพร้อมเนี่ยมันมันรู้ทั้งกายหรือทั้งใจมันรู้คือสิ่งที่ปรากฏเด่นขึ้นมาในขณะนั้นเนี่ยมันมันมันรู้อันเนี้ยเสร็จเรียกว่ารู้สึกตัวนั้นนั้นมันก็ไม่ผิดถ้าถ้าเราจะรู้รู้ความคิดบ้างรู้กายบ้างไม่ผิดเพราะมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมนี้เขรู้สึกตัวจริงๆรนะรู้สึกตัวทุวพร้อมจริงๆแต่ถ้าเรา ไรู้สึกตัวเทุกฟ้อมบางทีมันจะมันรู้แล้วมันมันคล้ายๆมันนิ่งเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวเองเกินไปนะมันเวลาว่างๆไม่มีอะไรให้เห็นจะกลายเป็นนิ่งเลยมันมีจิตขึ้นแบบบางทีสังเกตบางทีถ้าเราเห็นจิตคล้ายๆมันจะดิ่งลงไปสู่ความนิ่งเนี่ยอันนี้ก็ ก็คือเราก็ต้องถอนออกมานะ อ, อ่าบางทีวงคนทําสมาธามิมาเยอะฝึกมาดีเปิดแป๊บเดียวเกิดดิ้เออเเดงเข้ามาสู่สู่ความนิ่งเฉย อ, อยู่เนะี่ยก็มีแบบเนี้ยก็ต้องเขย่าท่ารูแล้วเ <c oughs> ขย่าท่ารู้อืมฝึกขึ้นมาดูขึ้นมา ต, ตอนนี้รู้ไม่ต่อเนื่องเพราแม่ทุกุมบอกว่าต้องรู้ให้ต่อเนื่องทุกอาการของเคลื่อนไหวทุณถ้ามีอะไรดูก็ดูการที่นี้ มันเคยเหมือแบบทําอะไรแล้วมันลอยทำอัตโนมัติก็เลยต้องมาฝึกทาแบบมีสติคือมันก็ไม่จําเป็นว่าที่จริงมันไม่ใช่จะต้องรู้กายตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับหรอกนะใช่บางส่วนที่กายทํางานเนี่ยเราจะลืมมันเหมือนเป็นอัตโนมัติเราก็ลืมมันก็ไม่เป็นไรลืมก็รู้ใหม่ อย่าไปกําหนดมากเกินไปอย่าไปกําหนดมากเกินไปทําให้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่สุดธรรมชาติถ้าเราทำเป็นแบบธรรมชาติมันจิตใจมันจะมันจะเบิกบานถ้าเร า, าจริงจังเกินไปมันจิตใจมันจะมันจะเคร่งเครียดนะต้องต้องดู ต้องดูทําเราทำไม่มาชอบที่จันพิสารนั้นเพื่อทาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสจะอย่าง ซ, ซ, ซีเรียสก็คือเราทำอะไรก็แล้วแต่ปฏิบัติทำก็ก็ทําเต็มที่คือทำตามตามเหตุตามปัจปจัยที่เราได้จัดกรรแต่อย่าไปซีเรียสเราทํางานก็เหมือนกันเราก็เราอาจจะเป็นคนรับผิดชอบเต็มที่ทําอะไรให้มันดีแล้วก็ทําแบบนั้นแหละแต่เรา แต่เราก็วางใจไม่ไปเครียดไม่ไปซีเรียสกับผลของงานหรือว่าถึงเขาเลิกงานก็ต้องวางวางงานออกไปจากใจด้วยโอเคเขาให้เป็นคือเนี่ยเราก็ทำทาเต็มที่แล้วก็แล้วก็ไม่ซีเรียสก็คือมีอุเบกขายอยู่ในขนาสิ่งที่ทำเลยปฏิบัติทางู้เหมือนกันเหมือนที่จมพุทธท่านบอกก็ทำงานก็เสร็จทุกวัน ปฏิบัตทำก็เสร็จทุกวันเหมือนกันเสร็จทุกขณะเหมือนกันเสร็จทุกขณะเสร็จทุกขณะรู้สึกตัวเมื่ อ, อไหร่ก็เสร็จเสร็จกิจละหนึ่งขณะนะ ไ, ไปปฏิบัติกันต่อ